นาลาคิริเปสนะว่าด้วยพระเทวทัตปล่อยช้างนาลาคิรีสมัยนั้นในกรุงราชครืมีช้างชื่อนาลาคิรีดุร้ายชอบฆ่าคนครั้งนั้น พระเทวทัตเข้าไปในกรุงราชครึแล้วไปที่โรงช้างได้กล่าวกับพวกนายควานช้างดังนี้ว่าพวกเราเป็นพระญาติของพระราชาสามารถจะแต่งตั้งผู้อยู่ในตำแหน่งต่ำไว้ในตำแหน่งสูงสามารถเพิ่มเบี้ยเลี้ยงบ้างเงินเดือนบ้างท่านทั้งหลายเอาอย่างนี้เวลาพระสมณโคดม สเสด็จมาทางตรอกนี้พวกท่านจงปล่อยช้างนาลาคีรีนี้เข้าไปพวกในควนช้างรับคำพระเทวทั์แล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองผ้าอันตรวาศทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปในกรุงราชครึ่พร้อมภิกษุหลายรูปสเสด็จดำเนินถึงตรอกนั้น พวกควานช้างแลเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินถึงตรอกนั้นครั้นแล้วจึงปล่อยช้างนาลาคีรีเข้าไปช้างนาลาคีรีมองเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงชูงวงหูชันหางชี้วิ่งตรงไปที่พระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้น เห็นช้างนาลาคิรีวิ่งมาแต่ไกลจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าช้างนาลาคิรีนี้ดุร้ายหยาบคายนักชอบฆ่าคนกำลังตรงมาทางปลอบนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าข่าขอพระสุคตโปรดเสด็จกลับเถิด พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธออย่ากลัวไปเลยภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะปลงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นภิกษุทั้งหลายพระตะถาคตทั้งหลาย จะไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นแม้ครั้งที่สองภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าช้างนาราคีรีนี้ดุร้ายหยาบคายนักชอบฆ่าคนกำลังตรงมาทางกรอกนี้ขอพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าข่า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 จะไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นแม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าช้างนาราคีรีนี้ดุร้ายยากคายนักชอบฆ่าคนกำลังตรงมาทางตรอกนี้ขอพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าค่า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 พระธถาคตทั้งหลายจะไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นเวลานั้นคนทั้งหลายหนีขึ้นไปบนปร า, าสาทบ้างเรือนโลนบ้างบนหลังคาบ้างในกลุ่มคนพวกนั้นบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสมีความรู้ไม่ดีกล่าวอย่างนี้ว่า พวกเราเอย๋ยพระมหาสมณะโคดมรูปงามจะถูกช้างฆ่าส่วนบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิตมีความรู้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราเอย๋ยประเดียวคอยดูสงครามระหว่างพระพุทธเจ้ากับช้างครั้งนั้น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 พลางตรัสสอนช้างนาลาคิรีด้วยพระคาถาทั้งหลายว่ากุณชรเอย๋ยเจ้าอย่าคิดเข้ามาทําร้ายพระพุทธเจ้ากุณชรเอย๋ยการคิดเข้ามาทําร้ายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์กุณชรเอย๋ยผู้ฆ่าพระพุทธเจ้า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 เอางวงสูบละอองธุลีที่ใกล้พระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วพ่นลงบนกระหม่อมของตนย่อตัวถอยออกไปชั่วระยะเห็นพระองค์ลำดับนั้นช้างนาลาคิรีได้กลับไปที่โรงช้างยืนอยู่ที่เดิมก็ช้างนาลาคิรีได้รับการฝึกแล้วอย่างนั้น สมัยนั้นคนทั้งหลายพากันขับร้องคาถานี้ว่าคนฝึกช้างและคนฝึกม้าบางพวกมีท่อนไม้ขอและแท้จึงจะฝึกได้พระพุทธเจ้าผู้ประสบพระคุณยิ่งใหญ่ไม่ต้องใช้ท่อนไม้ไม่ต้องใช้สัตราทรงฝึกช้างได้เลย คนทั้งหลายพากันตนําหนิประนามโผลทนาว่าพระเทวทัตนี้เป็นคนบาปเป็นคนไม่มีบุญเพราะได้พยายามปลงพระชนพระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอานุภาพมากอย่างนี้ลาบสักการะของพระเทวทัตจึงเสื่อมสิ้นไปส่วนลาบสักการะของพระผู้มีพระภาค กลับเจริญยิ่งขึ้น